สุราเมรยะวักดสุราปานสิกขาบทภิกษุเดิมน้ำเมาต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะเดิมต้องอาบัตทุกกฎ 2. ดื่ดิมต้องอาบัตปาจิตติทุกๆคราวที่เดิมเข้าไป 2. องังคุลิ ป, ปโตทกะสิกขาบทภิกษุใช้นิ้วมือจี้ภิกษุให้หัวเราะต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กำลังจี้ให้หัวเราะ ต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อให้หัวเราะแล้วต้องอาบัตปาจิตตี 3. หสธรรมศึกขาบทภิกษุเล่นน้ำต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. เล่นในน้ำตื้นใต้ข้อเท้าต้องอาบัตทุกกฎ 2. เล่นในน้ำลึกพอท่วมข้อเท้าต้องอาบัตปาจิตตีสี่อนาธริยาศึกขาบทภิกษุไม่เอื้อเฟื้อต้องอาบัตสองอย่าง คือหนึ่ลังไม่เอือ้อเฟื้อต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อไม่เอื้อเฟื้อแล้วต้องอาบัตปาจิตตีห้าพิ้งสาปณะศึกขาบทภิกษุทําให้ภิกษุตกใจต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังทําให้ตกใจต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อทําให้ตกใจแล้วต้องอาบัตปาจิตตีหกโชติกะศึกขาบท ภิกษุก่อไฟผิงต้องอาบัตสองอย่างคือ1กํากำลังก่อต้องอาบัดทุกกฎเพราะพยายาม2เมื่อก่อเสร็จแล้วต้องอาบัตปาจิตตี 7. จ็นหานสิกขาบทภิกษุยังไม่ถึงครึ่งเดือนอาบน้ำต้องอาบัตสองอย่างคือ1กํากำลังอาบต้องอาบัดทุกกฎเพราะพยายาม2เมื่ออาบเสร็จต้องอาบัตปาจิตตีแทุพันณกระณะสิกขาบท พิสุไม่ใช่วัตถุที่ทำให้สีเสียสามชนิ ด, ยดอย่างใดอย่างหนึ่งมาทำให้เสียสีแล้วใช้สอยจีวรใหม่ต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังใช้สอยต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม2เมื่อใช้สอยแล้วต้องอาบัตปาจิตติก้าววิบปะณะศึกขาบทพิกสุวิกกัปะจีวรด้วยตนเองแก่ภิษุหรือแก่พิกสุณีหรือแก่สิกขมานา หรือแก่สามเณรหรือแก่สามเณรีแล้วใช้สอยจีวรที่ยังไม่ได้ปัจจุทรต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังใช้สอยต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายามสองเมื่อใช้สอยแล้วต้องอาบัตปาจิตตรสิบจีวรอปนิธานสิขาบทภิกษุเอาบาตหรือจีวรผ้าปูนั่งกล่องเข็มหรือประคดเอวของภิกษุไปซ่อนต้องอาบัตสองอย่าง คือ 1. กําลังเอาไปซ่อนต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อเอาไปซ่อนแล้วต้องอาบัตปาจิตติสุราเมรยะวัคที่6จบ 7. สัดปานกวัค 1. สันจิต จ, จสิกขาบทถามภิกษุจงใจปรงชีวิตสัตว์ต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบภิกษุจงใจปรงชีวิตสัตว์ต้องอาบัตสีอย่าง คือขุดหลุมพรางไว้ไม่เจาะจงด้วยคิดว่าใครก็ได้จะตกลงไปตายต้องอาบัตทุกกฏ 2. มนุษย์ตกลงไปตายในหลุมนั้นต้องอาบัตปาราชิาาก 3. ยักษ์เปรตหรือสัตว์เดรัจฉานมีกายเป็นมนุษย์ตกลงไปตายในหลุมนั้นต้องอาบัตทุนละใจ 4. ส, สัตว์เดรัจฉานตกลงไปตายในหลุมนั้นต้องอาบัตปาจิตติภิกษุจงใจปรงชีวิตสัตว์ ต้องอาบัตส4อย่างเหล่านี้สอสัพปะานาักสิกขาบทภิกษุรู้อยู่ว่าน้ำมีสัตว์มีชีวิตก็ยังบริโภคต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังบริโภคต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อบริโภคแล้วต้องอาบัตปาจิตตี 3. อุโกโตนะสิกขาบทภิกษุรู้อยู่รื้อฟื้นอธิกรณ์ที่ตัดสินไปแล้วอย่างถูกต้องเพื่อพิจารณาใหม่ ต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังรื้อฟื้นต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อรื้อฟื้นเสร็จแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสี่ 4. ทุดทุนละศึกขาบทภิกษุรู้อยู่ปกปิดอาบัตชั่วยากของภิกษุอื่นต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตปาจิตตีห้าูนวีสติวะสาศึกษาบทภิกษุรู้อยู่ อุปสมบทให้บุคคลผู้มีอายุย่อนกว่า20ปีต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังอุปสมบทให้ต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่ออุปสมบทเสร็จแล้วต้องอาบัตปาจิตตี 6. เทยยะสัทธะศึกข้าบทภิกษุรู้อยู่ชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกันกับกลุ่มพ่อค้ากุยเยนผู้เป็นโจรต้องอาบัตสองอย่าง คือหนึ่ลังเดินทางต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายามสเมื่อเดินทางไปแล้วต้องอาบัตปายจิตตี 7. สังวิธาณสิกขาบทภิกษุชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกันกลับมาถุกามต้องอาบัตสอง อ, าาอย่างคือ 1. กําลังเดินทางต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายามสเมื่อเดินทางไปแล้วต้องอาบัตปายจิตตี 8. ปอริษัศสิกขาบท ภิกษุไม่สละทิฏฐิบาปจนกระทั่งสงส่วนสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งจบญาติต้องอาบัตทุกกฎ 2. จบกรรมวาจาต้องอาบักกบาาตออาบปาจิตติก้ 9. อุคลิตะสัมโพคสึกขาบทภิกษุรู้อยู่ยังคบหาภิกษุผู้กล่าวตูวอย่างนั้นผู้ที่สงยังไม่ได้ทำธรรมอันสมควรผู้ยังไม่ยอมสละทิฏฐินั้นต้องอาบัตสองอย่าง คือหนึ่ลังคบหาต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อคบหาแล้วต้องอาบัตปาจิตติสิบกัณฑกะสืขาบทภิกษุรู้อยู่ปลอบโยนสมนุตเทศผู้ถูกสงนาสนะแล้วอย่างนั้นต้องอาบัตสองอย่างคือ1กําลังปลอบโยนต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อปลอบโยนแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสปานกะวักที่7จบ 8. สหธรรมิกระวัค 1. สหธรรมิกระศึกขาบทภิกษุผู้อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนอยู่โดยชอบธรรมกลับกล่าวว่าท่านทั้งหลายกระผมจะยังไม่ศึกษาในศึกขาบทนี้จนกว่าจะได้สอบถามภิกษุรูปอื่นผู้ฉลาดผู้เป็นวินัยทรต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังกล่าวต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อกล่าวแล้วต้องอาบัติปาจิตติสอ 2. วิเลคณะศึกขาบทภิกษุดูหมินพระวินัยต้องอาบัติสองอย่างคือ 1. กํากำลังดูหมินต้องอาบัติทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อดูหมินแล้วต้องอาบัติปาจิตติสามโมหณะศึกขาบทภิกษุแ้งทำผู้อื่นให้หลงต้องอาบัติสองอย่างคือ 1. เมื่อสงยังไม่ยกโมหาโรปนกกรรมขึ้นปรับ ทำผู้อื่นให้หลงต้องอาบัตทุกกฏ 2. เมื่อสงยกโมหาโรปนกรรมขึ้นปรับแล้วทำผู้อื่นให้หลงต้องอาบัตปาจิตตีสี่ปหาระศึกขาบทภิกษุโกรธไม่พอใจทำร้ายภิกษุต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังทําร้ายต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อทําร้ายแล้วต้องอาบัตปาจิตตีห ตละสติกะสิกขาบทภิกษุกโกรธไม่พอใจเนื้อหอคือฝ่ามือให้ภิกษุต้องอาบัตสองอย่างคือ1กํากำลังเนื้อต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม2เมื่อเงื้อแล้วต้องอาบัตปาจิตตี 6. อมูลกะสิกขาบทภิกษุใส่ความภิกษุด้วยอาบัตสังคาทิเศษที่ไม่มีมูลต้องอาบัตสองอย่าง คือ 1. กำลังใส่ความต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อใส่ความแล้วต้องอาบัตปาจิตติ 7. สันจิตจะศึกษาบทภิกษุจงใจก่อความรำคาญให้แก่ภิกษุต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังก่อต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อก่อแล้วต้องอาบัตปาจิตติ 8. อุปสุติศึกษาบท ภิษุยืนแอบฟังผู้พิกษุผู้บาดหมางทะเลาะวิวาทกันต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งเดินไปด้วยตั้งใจว่าจะฟังต้องอาบัตทุกกฎ 2. ยืนอยู่ในที่ที่จะได้ยินต้องอาบัตปาจิตตี 9. กรรมมปฏิภาหณะสกขาบทภิกษุให้ฉันทะเพื่อกรรมที่ทำถูกต้องแล้วกลับติเตียนในภายหลังต้องอาบัตสองอย่าง คือหนึ่ลังติเตียนต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อติเตียนแล้วต้องอาบัตปาจิตติสิบชั้น ท, าท่าอัทตวาคมณะศึกขาบทภิกษุเมื่อยังมีเรื่องที่ต้องวินิจฉัยอยู่ในสง์ไม่ให้ชันทะแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. เมื่อกําลังจละลหัตถาที่ชุมนุมสง์ต้องอาบัตทุกกฎ สเมื่อละหัตถบาทไปแล้วต้องอาบัติปาจิตตีสิบเอ็ดพระศึกขาบทภิกษุร่วมกับสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันให้จีวรไปแล้วกลับติเตียนในภายหลังต้องอาบัติสองอย่างคือหนึ่งกำลังติเตียนต้องอาบัติทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อติเตียนแล้วต้องอาบัติปาจิตตีสิบสปริณามณะศึกขาบทภิกษุรู้อยู่ น้อมลาบที่เขาน้อมไว้เป็นของจะถวายสงไปเพื่อบุคคลต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังน้อมไปต้องอาบัตทุกกดเพราะพยายามสองเมื่อน้อมไปแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสหธรรมิกกวักที่8จบ 9. กราชวักหนึ่งอันเตปุราสิกขาบทภิกษุไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าเข้าเขตพระราชฐานชั้นในต้องอาบัตสองอย่าง คือก้าเท้าที่1ล่วงธรณีประตูต้องอาบัตทุกกฎ2 9เท้าที่2ล่วงธรณีประตูต้องอาบัตปาจิตตีสอ 2. รัตนศสิกขาบทภิกษุเก็บรัตนะต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กำลังเก็บต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อเก็บแล้วต้องอาบัตปาจิตตี 3. วิการคามะปะเวชนะสิกขาบท ภิกษุไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่แล้วเข้าหมู่บ้านในเวลาวิกาลต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. ยกเท้าแรกก้าวเข้าเขตรั้วล้อมต้องอาบัตทุกกฏ 2. ยกเท้าที่สองก้าวเลยเข้าไปต้องอาบัตปาจิตีสี 4. สูจิคระสิกขาบทภิกษุทำกล่องเข็มด้วยกระดูกด้วยงาหรือด้วยเขาต้องอาบัตสองอย่าง คือ1กำลังทำต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม2เมื่อทำเสร็จแล้วต้องอาบัตปาจิตตีห้มันจะปีถะศึกขาบทพิสุให้ทำเตียงหรือต่างเกินขนาดต้องอาบัตสองอย่างคือ1กํากำลังทำต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม2เมื่อทำเสร็จแล้วต้องอาบัตปาจิตตีหกตูโลนทะศึกขาบท ภิกษุให้ทำเตียงหรือต่างหุ้มนุ่นต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังทำต้องอาบัต ท, ทุกกฏเพราะพยายาม2เมื่อทำเสร็จแล้วต้องอาบัตปาจิตตี7 น, นิสสีธนะสิกขาบทภิกษุให้ทำผ้ารองนั่งเกินขนาดต้องอาบัตสองอย่างคือ1กํากำลังทำต้องอาบาัตทุกกฏเพราะพยายามสองเมื่อทำเสร็จแล้วต้องอาบัตปาจิตตีแ การทูปปฏิจฉาธิศขาบทภิกษุให้ทําผ้าปิดฝีเกินขนาดต้องอาบัตสองอย่างเคยหนึ่งกำลังทําต้องอาบัดทุกกฎเพราะพยายาม2เมื่อทําเสร็จแล้วต้องอาบัตดปาจิตตีเก้าวศึกษาติการศึกขาบทภิกษุให้ทําผ้าอาบน้ําฝนเกินขนาดต้องอาบัดสองอย่างคือ1กําลังทําต้องอาบัดทุกกฎเพราะพยายาม สองเมื่อทำเสร็จแล้วต้องอาบัตปาจิตตี10นันทสิกขาบทถามภิกษุให้ทำจีวอนเท่ากับสุขจีวอนต้องอาบัตเท่าไร่ตอบภิกษุให้ทำจีวอนเท่ากับสุขจีวอต้องอาบัตสองอย่างคือ1กำลังทำต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายามสองเมื่อทำเสร็จแล้วต้องอาบัตปาจิตตีภิกษุให้ทำจีวอนเท่ากับสุขจีวอ ต้องอาบัตสองอย่างเหล่านี้ราชวัชที่9จบขุทกกะศึกษาบทจบ 6. กปาฏิเทศนิยกกันคำถามคำตอบจำนวนอาบัตในปาติเทศนิยกกัน หปฐมปาติเทศนิยะสิกขาบทถามภิกษุรับของเคี้วหรือของฉันด้วยมือตนจากมือของภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติผู้เข้าไปในละแวกบ้านแล้วฉันต้องอาบัตเท่าไรตอบภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนจากมือของภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติผู้เข้าไปในละแวกบ้านแล้วฉันต้องอาบัาตส อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, องอย่างคือหนึ่งรับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัติปาติเทสนิยะทุกๆคากลืนภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนจากมือของภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติผู้เข้าไปในละแวกบ้านแล้วฉันต้องอาบัติสองอย่างเหล่านี้ 2. ทุติยะปาติเทสนิยะศึกขาบทภิกษุไม่ห้ามภิกษุณีผู้บงการทายกอยู่แล้วฉันต้องอาบัติสองอย่าง คือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัตปาติเทศนิยะทุกๆคำกลืน 3. ตติยะปาติเทศนิยะศึกขาบทภิกษุรับของเคี้ยวหรือของฉันในตระูลที่ได้รับสมมติว่าเป็นเสขะด้วยมือตนเองแล้วฉันต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ สฉันต้องอาบัตปาติเทสนิยะทุกๆคำกลืน 4. ี่เจตุ t h ปาติเทสนิยะศึกขาบทถามภิกษุผู้ที่ไม่ได้รับแจ้งไว้ก่อนรับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนเองในอารามในเสนาสนะป่าแล้วฉันต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบภิกษุผู้ที่ไม่ได้รับแจ้งไว้ก่อนรับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนเอง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 เสขียกันคำถามคำตอบจำนวนอาบัตในเสขียกัน 1. ปริมาณเทระวัคสิกขาบทที่หนึ่งถามภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อครองอันตรวาสกย้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างต้องอาบัตเท่าไรตอบภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อครองอันตรวาสกย้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎ ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อครองอันตรวาสกย้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างต้องอาบัตหนึ่งอย่างนี้สิกขาบทที่สองภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อครองอุตราสงย้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏสิกขาบทที่สภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินเปิดกายไปในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกดสิกขาบทที่สี่ ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อนั่งเปิดกายในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎ ส, yup ส<ถ>ิกขาบทที่5ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินขนองมือบ้างขนองเท้าบ้างไปในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่6ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือขนองมือบ้างขนองเท้าบ้างนั่งในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎ สิกขาบทที่7จ็ดพิสุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินมองดูในที่นั้นๆไปในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่8ปดพิสุผู้ไม่เอื้อเฟื้อนั่งมองดูในที่นั้นๆในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่9ก้าพิสุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินเวิร์ผ้าไปในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎ สิกขาบทที่10ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อนั่งเวร์กผ้าในระแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎปริมัณฑละวักที่1จบส อ, อุชาคิกะวกัก สิกขาบทที่1ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินหัวเราะดังไปในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่สองพิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อนั่งหัวเราะดังในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่3ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินตะโกนเสียงดังไปในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่สี่ ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อนั่งตะโกนเสียงดังในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่5้ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินโครงกายไปในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่6กภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อนั่งโครงกายในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่7 ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินแกว่งแขนห้อยแขนไปในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏสิกขาบทที่8ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อนั่งแกว่งแขนห้อยแขนในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่9กภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินโลรงศีรษะไปในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่สิ ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อนั่งคลงศีรษะในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏอุเักทิฆวัตที่สองจบ 3. คมขัมภกตวัตสิกขาบทที่1ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินเท้าเสอเอลไปในละแวก บ, บ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัต ท, ทุกกฏสิกขาบทที่สองภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อนั่งเท้าเสอเอลในละแวก บ, บ้าน ต้องอาบัตหนอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่3ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินคลุมศีรษะไปในละแวกบ้านต้องอาบัต1อย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่4ีพิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อนั่งคลุมศีรษะในละแวกบ้านต้องอาบัต1อย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่5้พิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินกระโยงไปในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎ สิกขาบทที่6ภพิสุผู้ไม่เอื้อเฟื้อนั่งรัดเข่าในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏสิกขาบทที่7ภิกพิสุผู้ไม่เอื้อเฟื้อรับบินทบาทโดยไม่เคารพต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏสิกขาบทที่8ภิพิสุผู้ไม่เอื้อเฟื้อรับบินทบาทมองดูในที่นั้นๆต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่9 ภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อเลือกรับเฉพาะแกงมากต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่10ภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อรับบินทบาทล้นขอปากบาทต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎค้ามภาค ก, กะตะวักที่สจบ 4. ีบินทบาตะวักสิกขาบทที่1ภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อฉันบิณทบาตโดยไม่เคารพ ต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏสิกขาบทที่สองพิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อฉั้นบินตาบาทมองดูที่นั้นๆต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่สภิกษุผู้ไม่เอ mm hmm. ื้อเฟื้อฉั้นบินตาบาทเจาะลงในที่นั้นๆต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏสิกขาบทที่4ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อฉันเฉพาะแกงมาก ต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่5้าพิสุผู้ไม่เอื้อเฟื้อชั้นบินบาบะเขายุ่มลงแต่ยอดต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่6กพิสุผู้ไม่เอื้อเฟื้อใช้เข้าสุกรบแกงหรือกับข้าวต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่7พิสุผู้ไม่เอื้อเฟื้อไม่เป็นไข้ ออกปาขอแกงหรือเข้าสุกมาฉันส่วนตัวต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่8ภิกษสุผู้ไม่เอื้อเฟื้อมู่ตําหนิมองดูบาของภิกสุเหล่าอื่นต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่9ภิกพิสุผู้ไม่เอื้อเฟื้อทําคําข้าวให้ใหญ่เกินต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่สิบ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 ต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่สภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อพูดคุยขณะที่ในปากมีคําข้าวต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่4ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อฉันโยนคําข้าวต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่5ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อฉันกัดคําข้าวต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎ สิกขาบทที่6กพิษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อฉันพัตตาหารทำกระพุงแก้มให้ตุยต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏสิกขาบทที่7ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อฉันสะบัดมือต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่8ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อฉันโปรยเมล็ดข้าวต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏสิกขาบทที่9 ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อฉันแล บ, บลิ้นต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่10ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อฉันทำเสียงดังจับจับต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎกัพพะลวักวที่ห้าจบ 6. สุรุสุรุวักสิกขาบทที่หนึ่งภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อฉันทำเสียงดังซู่ซ ต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่สองพิสุผู้ไม่เอื้อเฟื้อฉั้นเลียมือต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่สพิสุผู้ไม่เอื้อเฟื้อฉันขอดบาดต้องอาบัดหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่4ภิพิสุผู้ไม่เอื้อเฟื้อชั้นเลียริมฝีปากต้องอาบัดหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่ห้า ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อจะภาชนะน้ำดื่มด้วยมือเปื้อนอาหารต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎศกขาบทที่6ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเทน้ำล้างบาดมีเมล็ดข้าวในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎศีขาบทที่7ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่บุคคลผู้กั้นร่มต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎศีขาบทที่8 ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่ aur. คนถือไม้พลองต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏสิกขาบทที่9ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อแสดงธรรมแก่คนถือศาสตราต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทาบที่10ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อแสดงธรรมแก่คนถืออาวุธต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏสุรุสุรุรวากที่6จบ ปาทุกกวักสิกขาบทที่1ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนผู้สวมเขียงเท้าต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏสิกขาบทที่สองพิสุผู้ไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนสวมรองเท้าต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏสิกขาบทที่3ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนอยู่ในยานพานะ ต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่4ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมกับคนผู้อยู่บนที่นอนต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่หภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมกับคนที่นั่งรักเข่าต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่6ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมกับคนผู้โพกศีรษะ ต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขา บ, บทที่7พิษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อแสดงธรรมเกิดคนผู้คลุมศีระต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขา บ, <Future> บทที่8ภิพิุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อนั่งอยู่บนพื้นดินแสดงธรรมเกิดคนผู้นั่งบนอาสน ะ, ออสนะต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่9พิุผู้ไม่เอื้อเฟื้อนั่งอยู่บนอาสนะต่ำ แสดงธรรมแก่คนผู้นั่งบนอาสนะสูงต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่10ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อยืนแสดงธรรมแก่คนผู้นั่งอยู่ต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่11ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้เดินอยู่ข้างหลังแสดงธรรมแก่คนผู้เดินไปข้างหน้าต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่สอง ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินอยู่นอกทางแสดงธรรมก่บคนผู้เดินไปในทางต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎศกขาบทที่13ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อยืนถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎศกขาบทที่14ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงบนของเขียว <şu 1> ต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่1 5ถามภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำต้องอาบัตเท่าไรตอบภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อถ่ายอุจจาระปัสสาวะ หรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำต้องอาบัดหนึ่งอย่างนี้ปาทุกะวักที่7จบเซขียวัดสิหสกขาบทจบกระตาปฏิวาระที่สองจบ วิปติวาระวาระว่าด้วยเป็นวิบัติ 1. ึ่งปราชิกกันคำถามคำตอบวิบัติในปราชิกกันปราชิกสิกขาบทที่หนึ่งถามอาบัตปของภิกษุผู้เสดเมถุนธรรมบรรดาวิปป์สี่ข้อจัดเป็นวิบัติเท่าไหร่ตอบอาบัตปของภิกษุผู้เสดเมถุนธรรมบรรดาวิปป์สีอย่างจัดเป็นวิปป์สองอย่าง คือ 1. ศีลวิบัติ 2. อาจารวิบัติและถึง 7. เสขียะกันคำถามคำตอบวิบัติในเสขียะกันและถึง 7. ปาทุกกะวักและถึงสิคราบทที่15ถามอาบัติของพิสุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อถ่ายอุจระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำบรรดาวิปัสสีอย่าง จัดเป็นวิบัติเท่าไรตอบอาบัตของภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อถ่ายอุจระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำบรรดาวิบัสสีอย่างจัดเป็นวิบัติีหนึ่งอย่างคืออาจาระวิบัติวิปติวาระที่สจบ 4. สังขหิตวาระวาระว่าด้วยจัดเข้ากองอาบัติ 1. ปาราชิกกันคำถามคำตอบ จัดกองอาบัตในปาราชิกกันปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งถามอาบัตของภิกษุผู้เสดเมถุนธรรมบรรดากองอาบัตเ7กองจัดเข้ากองอาบัตเท่าไร่ตอบอาบัตของภิกษุผู้เสดเมถุนธรรมบรรดากองอาบัตเจกองจัดเข้ากองอาบัตส3กองคือ 1. กองอาบัตปาราชิก 2. กองอาบัตทุนละใจสามกองอาบัตทุกกฎ ละถึง7เสขียกันคําถามคําตอบจัดกองอาบัตเสขียกันละถึง 7. จ็ปาทูก ว, วักละถึงสิกขาบทที่15ถามอาบัตของภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อถ่ายอุจระปัสสาวะหรือบ้วนน้ําลายลงในน้ําบรร ด, ดากองอาบัตเจกองจัดเข้ากองอาบัตเท่าไหร่ตอบอาบัตของภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อ ถ่ายอุจระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำบรรดากองอาบัดเจดกองจัดเข้ากองอาบัดหนึ่งกองคือกองอาบัดทุกกฎสังขิตวาระที่สจบสสมุดฐานวาระวาระว่าด้วยสมุดฐานหนึ่งปราชิกกันคำถามคำตอบสมุดฐานอาบัดในปราชิกกัน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 คำถามคำตอบสมุทฐานาบัตในเสขียกันละถึง 7. ปาทุกกะวักละถึงศึกขาบทที่15ถามอาบัตของพิสุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อถ่ายอุจระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไหร่ตอบอาบัตของพิสุผู้ไม่เอื้อเฟือ่ายอุจระปัสสาวะ หรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำบรรดาสมุทฐานแหน่งอาบัต6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเกิดทางกายกับจิตไม่จะเกิดทางวาจาสมุทฐานวาระที่หจบ 6. อธิกรณวาระวาระว่าด้วยจัดเป็นอธิกรณ์หนึ่งปราชิกกันคำถามคำตอบอธิกรณ์ในปราชิกกันปราชิกศิกขาบทที่หนึ่ง ถามอาบัตของภิกษุผู้เสดเมถุนธรรมบรรดาอาธิกรณ์สี่อย่างจัดเป็นอธิกรณ์ไหนตอบอาบัตของภิกษุผู้เสดเมถุนธรรมบรรดาอาธิกรณ์สี่อย่างจัดเป็นอาปัตตาธิกรณ์ละถึง7เสขียกันคำถามคำตอบอธิกรณ์ในเสขียกันละถึงเจป่าทุกกวักละถึง สิกษาบทที่15ถามอาบาทของภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำบรรดาอธิกรณ์สี่อย่างจัดเป็นอธิกรณ์ไหนตอบอาบาทของภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำบรรดาอธิกรณ์สี่อย่างจัดเป็นอ่าปตต า, าธิกรณ์อธิกรณวาระที่หจบ เจ็ดสมถวาระวาระว่าด้วยการระงับด้วยสมถะหนึ่งปราชิกกันคำถามคำตอบสมถะในปราชิกกันปราชิกศึกขาบทที่หนึ่งถามอาบัตของภิกษุผู้เสษเมถุนธรรมบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัตของภิกษุผู้เสษเมถุนธรรมบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระงับด้วยสมถะสามอย่าง คือ 1. สามุขาวินัย 2. ปฏิญญาตกระณะ 3. สามสมุขาวินัยกับตินวัฏฐานะละถึงเเสขียกันคำถามคำตอบสมถะในเสขียกันละถึง 7. ปาทุ ก, กวัคละถึงศิกขาบทที่15ถามอาบัตของภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อถ่ายอุจจาระปัสสาวะ รือบ้วนน้ำลายลงในน้ำบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัตของภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถะสามอย่างคือหนึ่งสามุขาวิไนสองปฏิญญาตะกรณะ 3. สามุขาวิไนกับตินณวถารกะสมถะวาระที่เจดจบ 8. สมุจยะวาระวาระว่าด้วยการสรุปรวม 1. ปราชิกกันคำถามคำตอบสรุปรวมอาบัตในปราชิกกันปราชิกศึกขาบทที่1ถามภิกษุเศเมถุนธรรมต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบภิกษุเศเมถุนธรรมต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. เศเมถุนธรรมในซากศพที่ยังไม่ถูกสัตว์กัดกิน ต้องอาบัตปาราชิก 2. เศษเมทุนธรรมในซากศพที่ถูกสัตว์กัดกินโดยมากต้องอาบัตทุนละใจ 3. สอดเข้าไปในปากที่อ้าแต่ไม่ได้ถูกต้องต้องอาบัตทุกกฎภิกษุเศษเมถุนธรรมต้องอาบัตสาอย่างนี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติ4อย่างจะเป็นวิบัติเท่าไร่บรรดากองอาบัตเจกองจัดเข้ากองอาบัตเท่าไร บรรดาสมุทฐานแห่งอาบัต6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไร่บรรดาอธิกรณ์สี่อย่างจัดเป็นอธิกรณ์ไหนบรรดาสมถะาเจอย่างระงับด้วยสมถตาเท่าไรตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสี่อย่างจัดเป็นวิบัตสองอย่างคือหนึ่งศีลวิบัติออาจารวิบัตบรรดากองอาบัตเ7ดกองจัดเข้ากองอาบัตสามกอง คือหกองอาบัติปาราชิก 2. กองอาบัติทุนละใจสามกองอาบัติทุกกฎบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัติหสมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานหนึ่งสมุธฐานเคยเกิดทางกายและทางจิตไม่เชื่เกิดทางวาจาบรรดาอาธิกรสี่อย่างจัดเป็นอาบัตตาธิกรบรรดาสมถฏฐเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถฏฐสามอย่างเคยหนึ่งสามุขาวิใน 2. ปติญญาตะกระณะ 3. ส, สามุขาวินัยกับตินนวัารกะละถึงเเสขียกันคำถามคำตอบสรุปรวมอาบัตในเสขียกันละถึง 7. ปาถุกภวรคละถึงสิกขาบทที่15ถามภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อถ่ายอุจระประสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำต้องอาบัตเท่าไหร่ ตอบพิสุผู้ไม่เอื้อเฟื้อถ่ายอุจระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎพิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อถ่ายอุจระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำต้องอาบัตหนึ่งอย่างนี้ถามอาบัตนั้นบรรดาวิบัติสี่อย่างจัดเป็นวิบัติเท่าไหร่บรรดากองอาบัตเ7กองจัดเข้ากองอาบัตเท่าไหร่บรรดาสมุฐานแห่งอาบัตห6สมุฐาน เกิดด้วยสมุทฐานเท่าไรบรรดาอธิกรณ์สี่อย่างจัดเป็นอธิกรณ์ไหนบรรดาสมถะเจอย่างระงับด้วยสมถทะเท่าไรตอบอาบัตินั้นบรรดาวิบัติสอย่างจัดเป็นวิบัติหนึ่งอย่างคืออาจารวิบัติบรรดากองอาบัติ7กองจัดเข้ากองอาบัติหนึ่งกองคือกองอาบัติทุกกฏบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐาน เกิดทางกายกับจิตมม่จะเกิดทางวาจาบรรดาอธิกร4สี่อย่างจัดเป็นอาปัตตาธิกรบรรดาสมถะ7เจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถะ3สามอย่างคือหนึ่งสามุขาวินยัย 2. ปติญญาตะกระณะ 3. สามุขาวินัยกับตินนวัาฐาะสมุจยัยวาระที่8จบ แปดวาระนี้พระธรรมสังคีติกาจารย์เขียนไว้สำหรับสวดเท่านั้นรวมวาระแรกที่มีในพิขุวิพังแปดวาระคือ 1. กัฏปัญญาติวาระ 2. กตาปัญญาติวาระ 3. วิปัติวาระ 4. สังคหิตะวาระ 5. สมุทฐานวาระ 6. อธิกรณวาระ 7. สมถวาระ8สมุจยะวาระ